พวกเราคงไม่รู้กันหรอกว่าว่าการนั่นมาเกิดในชาตินี้เป็นเป็นของที่ประเสริฐเพราะชาตินี้มีพระพุทธศาสนามีผู้นำทางผู้บอกทางเราเป็นเหมือนคนเดินหลงทางอยู่ในป่าหาทางกลับบ้านไม่เจอ ถ้าได้ไปพบในคนที่รู้จักทางเขาก็จะบอกทางพาเราให้กลับบ้านถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี่มาเกิดก็ไม่รู้ว่ามาเกิดมาทําอะไรทําเพื่ออะไร<ม>ก็จะคิดว่ามาเกิดเพื่อมาตายมาเกิดเพื่อมาทําตามความอยากต่างๆอยากจะทําอะไรก็ทําอยากได้เงินก็หาเงิน อยากได้ครอบครัวก็หาครอบครัวหาได้มากหาได้น้อยเดี๋ยวตายไปก็หมด mm hmm. เราก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อไปต่อหรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่รู้ mm hmm. พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา mm hmm. เราจะได้รู้ว่า mm hmm. เรานี้ ไปสุขไปทุกต่อถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราพวกเราก็ไม่รู้เหมือนคนตาบอดไม่รู้ว่าเดินไปทางทิศไหนไม่รู้ว่าเดินไปจะเจออะไรเราก็ ไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันเราคี่ว่าเรากำลังหาความสุขกันแต่เราทาไมกลับไปเจอความทุกข์กันก็เพราะเราไม่ร<ม>ู้ทางที่ไปสู่ความสุขว่าไปทางไหนนั่นเองเราเดินไปในทางที่นำเราไปสู่ความทุกข์กัน แต่ถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้มีคนบอกมีคนสอนเราว่ามีทางที่เราจะเดินไปที่มีแต่ความสุขแล้วเราอยู่ไม่มีความทุกข์แล้วพอเรารู้จากทางเราก็ต้องรีบเดินทางกันเพราะเวลาของเรามีไม่มาก เวลาของเราชาตินี้จึงมีคุณค่ามากเพราะเราพราเราจะได้ใช้เวลานี้เดินทางไปสู่บ้านของเราบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนกันทางที่เราเดินมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ทุกทางแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาจะมีคนบอกทางว่าต้องไปทางนี้ทางนี้ทางเดียวทางเอก ทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทางที่จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายของพวกเราอยู่เรื่อยๆนี้พวกเราก็ไม่รู้กันไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเรากลับมาเกิดกันอีกชาติก่อนเราตายไปแล้วแล้วชาตินี้เราก็กลับมาเกิดกันอีกเราไม่รู้ว่ามีชาติก่อน แล้วไม่รู้ว่าจะมีชาติหน้าเราก็อยู่แบบคนตามบอดไปทําตามความอยากต่างๆไปอยากดูอยากฟังก็ไปดูอไปฟังอยากดื่มอยากลิ้มรสอะไรก็ไปดื่มไปลิ้มรสอยากจะทําอะไรก็ทำํำแล้วก็อยากไปเรื่อยๆทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วพอทําไม่ได้ทําก็ทุกข์เสีย อ, อกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเวลาแก่เจ็บตายก็ทําอะไรไม่ได้พอตายไปก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อพอเวลาอยู่นี่ทําการกระทําของเราก็มีทั้งบุญมีทั้งบาป ก, ก็ไม่รู้ว่าทําบุญแล้วมีที่ไปตรงไหน ทำบาปแล้วมีที่ไปตรงไหนบางคนก็คิดว่าตายแล้วก็จบอมร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะกลับมาเกิดใหม่อันนี้ไม่มีใครรู้กันก็เลยไม่สนใจเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่คนที่สนใจคนที่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนต่อหรือเปล่าพอมาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการไปใช้ผลบุญผลบาปตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่จบ ร่างกายตายแต่ใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ตายผู้สั่งนี่แหละเป็นผู้ต้องไปรับผลผลบุญผลบาปทาบาปใจก็ร้อนใจก็ทุกข์ทรมานก็เรียกว่านรกเรียกว่าอบายทำบุญใจเย็นใจมีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์นลกอยู่ในอก สวรรค์อยู่ในใจอยู่ในจิตในใจของเราจิตใจเป็นผู้กระทาแล้วจิตใจก็เป็นผู้รับผลบุญผลบาปเวลาที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันไปเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรใช่ไหร่างกายนอนนิ่งครอกครอกครอกแต่ใจกำลังสนุกหรือกำลังวุ่นวายใช่ บางทีก็ฝันร้ายบางทีก็ฝันดีฝันร้ายก็เป็นผลของการทำบาปฝันดีก็เป็นผลของการทำบุญฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่านรกหนืออบายพอร่างกายตายไม่มีร่างกายใจก็จะฝันไปจนกว่ามันจะหมดกำลัง บุญมันก็จะผลักดันให้ฝันดีไปเรื่อยๆบาปมันก็จะผลักให้ไปฝันร้ายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเหมือนน้ํามันนะถ้าน้ำมันหมดรถมันก็หยุดวิ่งถ้าฝันไปฝันร้ายไปเดี๋ยวพอบาปที่ผลักดันให้ฝันร้ายมันหมดกําลังมันก็หยุดหรือบุญที่ผลักดันให้ฝันดีน มันก็ฝันไปจนกระทั่งมันหมดกำลังพอหมดกำลังฝันมันก็มาเกิดใหม่มาตื่นเนี่ยเวลาเกิดออกมาจากท้องแม่ก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาเวลาตายก็เหมือนกับนอนไปนอนหลับเพียงแต่ว่าร่างกายเปลี่ยนร่างกายไปเวลาตายนี่ร่างกายเก่าทิ้งไปแล้วเวลาตื่นขึ้นมาเวลามาเกิดใหม่ก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่ ล้วก็ได้ร่างกายอันใหม่ล้วก็มาทำเหมือนกับคราวที่แล้วที่มาเกิดเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นอย่างไรรู้เพียงแต่ว่าอยากจะหาความสุขเท่านั้นเองจิตใจของพวกเราทุกคนนี่รู้อย่างเดียวรู้ว่าอยากจะหาความสุขและความสุขนี้ต้องผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ต้องดูถึงจะมีความสุขต้องฟังต้องเล่มรถ ด, ดมกลิ่นถึงจะมีความสุขต้องสัมผัสอะไรทางร่างกายสัมผัสร่างกายของแฟนจะแตะเนื้อต้องตัวกันก็มีความสุขเกิดขึ้นมาหาความสุขกันแบบนี้หาความสุขทางร่างกายกันไปจนแก่เจ็บตายตายแล้วก็ไป ไปฝันต่อเวลาตายก็เหมือนนอนนอนหลับยาวเวลาที่มีร่างกายก็นอนสั้นๆนอนแค่แปดชั่วโมงฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างแล้วแต่บุญแล้วแต่บาปที่ทำไว้เป็นเหมือนเป็นหนังตัวอย่างถ้าเราฝันดีแสดงว่าเราทำบุญไว้ถ้าฝันร้ายแสดงว่าเราทำบาปไว้ ถ้าเรายังมีร่างกายอันเดิมนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับไปดูหนังตัวอย่างหนังจริงที่เราจะไปดูตอนที่เราตายจริงๆตอนที่ร่างกายนี้ตายจริงๆก็จะไปดูหนังจริงถ้าเป็นบาปก็จะฝัน้ลยไปฝันยาวไปเลยฝันไม่ใช่แค่แปดชั่วโมงฝันเป็นปีๆ บุญก็เหมือนกันถ้าเป็นบุญพาให้ฝันไปก็จะฝันเป็นเป็นปีปีเป็นร้อยปีเป็นพันปีจนกาบุญจะหมดกำลังก็กลับมาเกิดใหม่มาตื่นเวลาตายก็เหมือนกับหลับไปหลับแล้วก็ฝันฝันดีฝันได้ตามอำนาจของบุญของบาปพอหมดกำลังก็กลับมา เกิดใหม่กลับมาตื่นขึ้นมาเวลาคลอดออกมาก็เหมือนตื่นขึ้นมาตอนตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่รู้อีโน่เนรู้แต่หิวอย่างเดียวรู้แต่อยากจะกินหิวน้ำก็ร้องหิวนมก็ร้องหิวอาหารก็ร้องอยากจะขับถ่ายก็ร้องพ่อแม่ก็ต้องจัดการตอบสนองความอยากของเราพอเราโตขึ้นมาได้ หากินเองได้หาความสุขเองได้ก็ไปหากินกันหาความสุขกันไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินทองมาซื้อข้าวของซื้ออาหารกับข้าวกับปลาอาหารซื้อความสุขต่างๆที่เราอยากจะได้เห็นอะไรชอบได้อยากได้ซื้อแล้วมาซื้อมาแล้วมีความสุขก็ซื้อมาก็หาอย่างนี้ไป ระว่างหาเงินหาทองหาความสุขก็แล้วแต่ว่าจะหาแบบไหนถ้ามีพ่อแม่คอยสั่งคอยสอนคอยห้ามก็อาจจะไม่หาโดยวิธีทําบาปถ้าถ้าเรามาเกิดยุคที่มีพระพุทธศาสนาศาสนาก็สอนว่าอย่าทําบาปจะหาเงินหาทองหาความสุขอะไรต่างๆก็หาโดยที่ไม่ต้องทําบาปเช่นอย่าไปฆ่าผู้อื่น อย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปประพฤติผิดโปรยนี่อย่าไปยุ่งอย่าไปมีอะไรกับสามีภรรยาของผู้อื่นอย่าไปโกหกหลอกลวงอย่าไปดื่มสุรายา่เมาเพราะมันเป็นการทำบาปมันจะทำให้เราฝันร้ายเวลาเรานอนหลับเวลาเราตายเราก็จะฝันยาวฝันร้ายไปยาวให้ทำบุญ ทำบุญแล้วจะนอนหลับฝันดีทำบุญทำทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครเดือดร้อนใครลำบากพอมีอะไรจะแบ่งกันได้ช่วยกันได้ก็แบ่งกันไปช่วยกันไปแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดซ้ำซากอย่างที่เราเกิดอย่างที่เราเคยมาเกิดกันพระพุทธเจ้าก็รู้จักวิธีหยุดการมาเกิดได้ รู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเกิดให้เราไปอยู่บ้านที่ไม่ต้องมีการเกิดกันไม่ต้องมีการแก่การเจ็บการตายกันคือคือพระนิพพานที่ไม่มต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บคือใจที่ไม่มีความอยากหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายก็ด้วยการมาหยุดความอยากต่างๆ อากหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็หยุดมันวิธีจะหยุดมันก็ต้องสร้างความสุขขึ้นมาทดแทนความสุขที่เราต้องสร้างขึ้นมาทดแทนก็คือความสงบเรานั่งสมาธิใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขมีความสุขแทนความสุขที่ได้จากการไปดูหนังฟังเพลงจากการไปกินไปดื่มอะไร า ก, การไปนอนหลับกับแฟนคนที่นั่งสมาธิได้นี้อยู่คนเดียวได้อยู่ในป่าในเขาได้ไม่ต้องไปอยู่ตามที่แหล่งบันเทิงต่างๆตามแหล่งชอปปิ้งต่างๆตามตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีความสุขทดแทนมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ย เป็นความสุขที่ดีกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปสัมผัสไปไปตบไปจับเนื้อต้องตัวคนนั้นคนนี้หาความสุขจากความสงบอพอมีความสุขจากความสงบแล้วก็สามารถสอนใจว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว เวลาเกิดความอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายก็บอกว่าอย่าไปเพราะถ้าไปแล้วมันอยากไม่มีวันจบไปแล้วก็อยากจะไปอีกตายแล้วก็จะกลับมาเกิดอีกถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอย่าไปหาความสุขตามความอยากต่างๆหาความสุขจากความสงบนี้ที่เราได้จากการนั่งสมาธิ จากการมาหัเจริญพุทธโธพุทธโธพุทธโธนี่แหละเวลาของเราธานนี้จึงมีคุณค่าราคามากเพราะเราต้องเอาเวลามาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อที่เราจะได้หยุดใจของเราไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆ่พอเราหยุดได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป แต่ถ้าเราไม่มาขยันจเจริญสติไม่มาขยันนั่งสมาธิไม่มาคอยสอนใจให้ให้ละความอยากต่างๆกลับไปทำตรงกันข้ามกลับไปทำตามความอยากกันกลับไปไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลื่นกายกันความอยากนี้มันก็จะไม่มีวันจบไม่มีวันหมดอายไปมันก็จะดึงเราไปเกิด ไปเกิดใหม่แล้วกรรมมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนมาคอยบอกเราก็จะไม่รู้อีกเราก็จะเกิดแก่เจ็บตายไปยาวนานเลยจนกว่าจะไปเจอกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาอครั้งได้เมื่อไหร่เวลาระยะเวลาระหว่างพระพุทธศาสนาแต่ละยุคนี้ ท่านว่าเป็นกลับเป็นกันเป็นหลายล้านล้านปีด้วยกันล้านคุณล้านคุณล้านปีนถึงจะมีศาสนาพุทธมาปรากฏให้สักครั้งหนึ่งมาคอยมาคอยบอกคอยสอนเราให้รู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องนาลกเรื่องสวรรค์รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วสอนให้เราทำบุญเดี๋ยวไปทำบา ถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงนิพพานอย่างน้อยตายไปเราก็ได้ฝันดีไปฝันดีไปสวรรค์ไม่ไปฝันลายไปอบายไปเป็นฝันเป็นเดรัจฉานฝันไปตกนรกติดคุกติดตารางฝันไปถูกถูกสินต่างๆถูกเหตุการณ์ต่างๆเหยียบย่ำทาลาย นี่คือเวลาของพวกเราเวลาชาติของชาตินี้มีคุณค่ามากกว่าชาติอื่นเพราะถ้าเป็นชาติอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็จะทำไปตามภาษีภาษาอยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่ทำแต่ชาตินี้เรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป เราต้องมาทำบุญกันต้องมาละบาปกันเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิเราก็มาพิจารณาของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันไม่น่าอยากเลยเพราะมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้ น, นได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับแฟน ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับเงินเพราะว่าเวลามันหมดนไงเวลาเงินหมดนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์เวลาแฟนจากเราไปนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์เวลาลูกจากเราไปนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์เวลาของที่เรารักที่เราอยากได้ที่เราไปหามาพอได้มาแล้วเวลามันจากเราไปมันทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่าไปอยาก ให้อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรอยู่แบบสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แบบขอทานอยู่แบบไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่มีลูกมีเต้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่กับความสงบก่อนที่จะอยู่กับการไม่มีอะไรได้นี้ต้องมีความสงบต้องนั่งสมาธิเป็น ต้องจเจริญสติเป็นต้องพุโทโธเป็นนั่งสมาธิจิตก็รวมสงบเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอันนั้นล่ะจิตจะมีความสุขมากจิตมีความสุขแล้วจิตไม่ต้องมีอะไรร่างกายไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีอะไรนั่น่ะนั่นละ่นนละคือความสุขของจิตความสุขของพวกเราอยู่ที่ตรงนี้ ความสุขที่ไม่มีวันดับไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดถ้าเรารู้จักรักษามันวิธีรักษามันก็คือต้องใช้สติใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอยากแล้วมันจะเจอความทุกข์นะไม่ใช่เจอความสุขนะเพราะว่าพออยากแล้วมันต้องอยากไปเรื่อยๆข อ, ของที่เราได้มามันหมดไปเราก็ต้องไปหามาใหม่ ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยแล้วพอได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์อีกอย่าไปหาอะไรมาเให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นการหาความทุกข์มันเป็นความสุขตอนต้นแล้วก็จะเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปให้อยู่กับความสุขแท้จริงดีกว่าก็อยู่กับความสงบนี้พุทโธพุทโธกลับมาพุทโธพุทโธอยู่เฉยๆเวลาอยากจะไป ดูไปฟังไปกินไปอะไรก็อย่าไปทำนอกจากมันถึงเวลาต้องกินต้องดืม่มก็กินกินดื่มเพื่อร่างกายได้อยู่แต่อย่าไปกินดื่มเพื่อความอยากเวลากินดื่มของร่างกายก็มีเวลาเช่นวันละมือ้อกินข้าววันละมื้อก็พอดื่มก็เดือมน้าเปล่าหิวน้ำก็เดือมไปไม่ต้องดื่มน้ำชากาแฟไม่ต้องดื่ม น้ําอาะไรต่างๆกิเลสมันหลอกเราทั้งนั้นว่ากินเพื่อสุขภาพบางกินเพื่อนู่นกินเพื่อนี่มั้ความจริงมันอยากจะกินอยากจะลิ้มรสนมกลิ่นของเครื่องดื่มต่างๆกินแล้วก็ติดพอไม่มีกินก็ทุกปัญหามาอยู่ตรงเนี้ยพอทําอะไรตามความอยากแล้วมันจะติดเหมือนยาเสพติด ้พอเวลาไม่ได้กินไม่ได้เสพมันจะทุกข์ถ้าเราไม่ไปเสพเราก็จะไม่ติดเมื่อไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์เวลาไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับการไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่กับความสงบเวลาอยากก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากจะดูละครก็ไปนั่งสมาธิแทน อยากจะไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิแทนแล้วต่อไปมันจะไม่อยากเที่ยวมันไม่อยากดูอะไรอยู่เฉยๆได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้ท่านพบความสุขด้วยวิธีทาแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่มีร่างกายเมื่อร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ตอนนี้พวกเรากําลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันดีไหมเห็นไหมดีไหมเวลาแก่ดีหรือเปล่าเวลาเจ็บเวลาเป็นโรคมะเร็งนี่ดีมเวลาเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆนี่ มันดีที่ไหนอมันมันเกิดเพราะเรามาเกิดมันเกิดขึ้นมาเพราะเรามาเกิดกันเพราะอยากจะมีร่างกายอยากจะใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆเพราะเราไม่รู้จักหาความสุขโดยวิธีไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราจะไม่รู้จักวิธีนี้ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะสอนเราให้มาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันให้ใช้พุโทโธแทนให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปนั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วก็เย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้ไปกินเลี้ยงได้ไปเที่ยวที่ต่างประเทศ ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้ร่วมหลับนอนกับแฟนความสุขนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขยิ่งกว่าทุกลอตเตรี่รางวัลที่หนึ่งนี่แหละคือความสุขลองทําดูสิพอเจอแล้วมันจะร้องอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เองสุขอย่างนี้เองไม่มีอะไรจะสุขแบบนี้สุขแบบเอื่นเนแบบสุขสุขดิบดิบสุขแล้วก็ทุก ตุ ก, กตัลลี่รางวันที่หนุมดีใจปับ๊บเดี๋ยวก็กังวลแล้วสิเดี๋ยวจะเก็บกุกตัลี่ไว้ตรงไหนเดี๋ยวจะไปขึ้นรางวัลอย่างไร เ, ออเดี๋ยวจะใครมาป้นมาจี้เราหรือเปล่าร้อยแปดความกังวลเกิดขึ้นแล้วนี่แหละคือความสุขแบบทางโลกเป็นอย่างนี้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นสุกร้อนไม่ใช่สุขเยน็น ความสุขทางใจนี่แหละเป็นความสุขเย็นยิ่งสุขเย็นนักก็สุขอิ่มสุขสบายไม่มีกังวลกายกังวลไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกไม่มีความห่วงใยไม่มีอะไรทั้งนั้นใจเย็นสบายมีความสุขเพียงอย่างเดียว mm hmm. พอได้ความสุขอันนี้แล้วก็ คอยรักษาไว้ด้วยการอย่าไปทําตามความอยากพอเกิดความคิดอยากจะทําอะไรก็ตัดมันไปตัดด้วยปัญญาสารด้วยมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราไปทําอยากนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขมันเหนื่อยนยกว่าจะไปเที่ยวนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยต้องไปทําหนังสือเดินทางไปทําวีซา่าอไปฉีพยา ไปจองตัว๋วจองที่พักแล้วเวลาจะไปขึ้นเครื่องบินก็โอ้ต้องไปนั่งรอที่สนามบินอีกกว่าจะขึ้นกว่าจะลงออกจากสนามบินกว่าจะได้ไปเที่ยวก็หอบแล้ะปวดแรงบางทีเดินไปถึงโรงแรมก็ไม่อยากจะไปไหนละพักโรงแรมดีกว่าสู้อยู่บ้านไม่ดีกว่าไปเหนื่อยเนเหนื่อ ย, อยทาเป็นแทบตายเพื่อไปนอนโรงแรมต่างประเทศ นอนที่บ้านสบายกว่าไม่ต้องเน็ดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปทําวีซา่าไม่ต้องไปทาพาสปอร์ตวุ่นวายอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิสบายจิตสงบแล้วเหมือนไปถึงถึงโลกไหนเลยอยากถึงเมืองไหนเลยอยากจะไปเมืองไหนนั่งสมาธิอ่จิตสงบแล้วนี่มันสบายกว่าไปถึงเมืองนั้นนีก ไปถึงบางนั้นแล้วก็ต้องเหนื่อยไปหาที่เที่ยวอีกหาที่กินอีกหาที่หาที่ซื้อของอะไรอีกนี่ไม่ดีก็ไปเจอวิอชาชีพฟักร้วงกระเป๋าเอาอีกมันมีแต่การไปหาความทุกโดยคิดว่าเป็นการไปหาความสุขกันความสุขแท้ๆอยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่พุโทโธ นั่งพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดอะไรพอจิตไม่คิดอะไรจิตนิ่งจิตสงบความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้จักกันไม่เคยทำกันเวลาทำเลยทำไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมพุโทโธพุธโทโธได้สองสามคำก็ไปคิดเรื่องอื่นละมันก็เลยไม่เคยเจอกับความสงบสักที เราต้องมีความตั้งใจมากต้องมีความแน่วแน่ต้องมีความอดทนต้องมีความขยันถ้าเราอยากจะได้กับพบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวเราความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต้องขยันพุทธโธต้องหมั่นพุทธโธลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธไปเลย พ, พุทธโธไปภายในใจจะไปทําอะไรก็พุทธโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทธโธไป ถ้าต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานที่เราทําก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวพอไม่ต้องใช้ความคิดก็กลับมาพุโทโธต่อแล้วพอไม่ต้องทําอะไรก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธหัดทําไปเถิดเดี๋ยวไม่นานมันก็ได้มันเหมือนกับหัดพิมพดีดเนี่ยเวลาพิมพ์ดีดใหม่ๆแล้วพิมพ์ได้หรือเปล่ปาเราก็ต้องจิ้มทีละตัวทีละตัวหัดจิ้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอจิ้มไปสักพักเดี๋ยวมันํานานเอง ต่อไปก็พิมพ์ปั๊บเดียวอยากจะพิมพ์อะไรก็ปั๊บเดียวก็ได้นะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เคยพุดโทกันเราไม่เคยจดจอด่อจิตของเราให้อยู่กับเรื่องเดียวเราชอบปล่อยจิตของเราให้ไปเล่นเหมือนลิงไปนู่นมานี่ไปคิดถึงเรื่องนั้นไปคิดถึงเรื่องนี้คิดแล้วก็ไปทําทําเสร็จแล้วก็กลับมาคิดว่าจะทำอะไรต่อคิดอยู่อย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยไปเรื่อย มันก็แลวไม่มีวันหยุดไม่มีวันนิ่งมันก็เลยไม่เคยเจอความสุขที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวของเราเองมัวแต่ไปหาความสุขที่เป็นเหมือนความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ยพอไปเสพใหม่ๆก็สุขอพอสุขแล้วก็ติดต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ าบางทีเงินหมดเงินไม่พอใชแจะไปซื้อมาก็ไม่มีซื้อแล้วก็ต้องไปทำบาปไปหาเงินเพื่อที่จะได้มาเสพต่ อ, อใครเที่ยวก็พอเงินหมดถ้าหาเงินโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ไปหาวิธีทุจริตไปทาบาบุญก็ไม่ค่อยได้ทำพ่อแม่แต่จะหาเงินมาเที่ยวอย่างเดียวทำบุญก็เสียดาย ตายไปก็เลยฝันร้ายฝันร้ายยาวฝันแต่เรื่องไม่ดีแล้วพอมาเกิดใหม่ก็มาทำแบบเดิมเพราะมีนิสัยเดิมนิสัยเคยทำอะไรก็จะกลับมาทำตามนิสัยเคยเค ย, เคยเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยวเคยดื่มสุราก็จะกลับมาดื่มสซล่าเคยชอบอะไรก็จะกลับมาชอบอย่างนั้น อันนี้เราต้องมาเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขของเรามาหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบมาทำบุญแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินมาทำบุญเอาเงินมาอยู่วัดมาจ่ายค่าน้าค่าไฟแทนมาเที่ยวที่วัดแทนกันที่วัดมีวิพานให้เที่ยวมีสมาธิให้เที่ยวไม่ชอบเที่ยวกัน ชอบเที่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยชอบไปดูที่นั่นดูนี่ถ่ายรูปกับมาอวดกันมาโชว์กันแล้วเวลามันทุกข์มันของพวกนี้มันดับความทุกข์ให้เราได้กวออแต่ถ้ามาเที่ยววัดเนี่มามาหาสติกันมาหาสมาธิกันมาหาปัญญากัน ต่อไปเวลาทุกนี่ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาดับความทุกข์ได้ต่อไปจะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลต่างๆพอจะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้เมื่ออยู่แบบไม่มีอะไรได้อะไรจะไปก็ไม่เดือดร้อนเงินทองจะไปก็ไม่เดือดร้อนแฟนจะไปก็ไม่เดือดร้อนลูกจะไปก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายจะไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจอยู่ตามลําพังได้อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอยู่กับการไม่มีอะไรได้อันนี้แหละคือใจของพวกเราแต่ตอนนี้ใจของพวกเรากับทำตัวเป็นเหมือนคนพิการต้องมอีล้อเข็นต้องมีล้อนั่งให้คนเข็นให้ถึงจะไปไหนมาไหนได้ต้องมีร่างกาย ต้องมีตาหูจมูกลิ้วกายต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต้องมีลาบยศสรรเสริญถึงจะมีความสุขทั้งทังที่ใจนี้สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้พอมีอะไรแล้วมันก็ติดมันก็ต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆพอเสียอะไรไปก็ต้องไปหามาใหม่ใช่เคยใช้อะไรพอมันหมดแล้วเลิกใช้ไหยไม่เลิกใช่ไหม เคยกินอะไรพอมันหมดแล้วเลิกกินไหมเคยกินกาแฟพอกาแฟหมดแล้วเลิกเลิกกินไหยไม่ต้องซื้อมาไหมเคยดูหนังดูอะไรแล้วเลิกดูมไหยเคยดูละครแล้วเลิกดูไหมมันไม่เลิกหรอกมันมีแต่จะดูต่อไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ดูมันเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงหงุดหงิดนำคาญใจเศร้าซร้อยหงอยเหงาว้าเหว นี่ะเราทำตัวให้เป็นคนพิการโดยใช่เหตุพอไม่มีอะไรมาคอยคอยประครับประครองเราเราก็เลยเดือดร้อนกันทั้งทั้งที่เราไม่ได้พิการเทหน่อย <Yeah. S 1> เหมือนกับนิทานในสมัยพุทธกาลนี้มีคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งเป็นคนขาเป๋เวลาเดินมันจะเดินแบบคนขาเป๋ม้าที่มันเลี้ยงมันก็เดินตามคนขาเป๋ เห็นคนขาเป๋เดินแบบขาเป๋ม้ามันก็เดินแบบขาเป๋ด้วยทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เป็นขาเป๋์แต่เพราะว่าเคิดว่ามันเขาสอนให้มันเดินอย่างนั้นมันก็เลยเดินตามเขาพวกเราก็เหมือนกัน่ะพวกเรานี่มาเกิดอยู่กับพวกคนขาเป๋พอเขาทําอะไรเราก็ทําตามเขาพอเขาต้องมีร่างกายเราก็ต้องมีร่างกายกับเขา พอเขาต้องไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวกับเขาพอเขาต้องมีแฟนก็ต้องมีแฟนกับเขาเขามีอะไรก็ทาตามเขาไปหมดทั้งที่เราไม่ต้องทาตามเลยเรากับชอบเป็นคนขาเป๋กันชอบเป็นคนพีการกันเดินโดยที่ไม่ต้องมีอะไรม า, ามาค้ายันกับไม่ชอบต้องหาไม้มาค้ายันนี่แหละคือจิตใจของพวกเราที่ไป อาศัยร่างกายอาศัยเงินทองอาศัยคนนั่นคนนี้อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคอยให้ความสุขกับเราแล้วเป็นยังไงแทนที่จะให้ความสุขกับเรากลับกลายเป็นให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาจากไปมันสุขไหมเวลาที่เสียแฟนไปเสียลูกไปเสียเงินทองไปเสียบ้านเสียช่องไป มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นอ่ะอเวลาเสียร่างกายไปเป็นยังไงเวลาร่างกายแก่เป็นยังไงเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงเพราะเราไปพึ่งของที่เราไม่ต้องพึ่งเราไม่พึ่งตัวเราเองเนี่ยี่ยความหมายของพระเจ้าว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี่คือให้พึ่งตัวเราให้พึ่งธรรมะให้พึ่งความสงบให้เราสร้างความสงบขึ้นมา เพราะความสงบนี่แหละจะให้ความสุขกับเราเหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราไปพึ่งกันความสุขที่เราได้ทางตาหูจมูกมือกายความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสรนี่สู้ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้นัตถิสันติป ร, รังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้แหละ ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พวกเราถ้าไม่มา พ, พบกับพระพุทธรธรรมพระสงค์นี้เราก็ยังจะเป็นคนพิการต่อไปเราก็ยังต้องพึ่งร่างกายพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสพึ่งลาบยศสรรเสริญเพื่อให้ความสุขกับเราแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลกับการสูญเสียกับการพัดพากจากร่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริญ เวลาของเราจะมีค่ามากในภพนี้ชาตินี้ขอให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเถิดมาหัดหาความสุขแบบใหม่ถ้าเราไม่รีบเดี๋ยวตายไปเราก็จะไม่เราก็จะทำไม่สำเร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาคอยสอนคอยบอกเราอีก <c oughs> ชาติหน้ากลับมาเกิด <c oughs> ก็ไม่รู้จะไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้รีบทำเสีย ตอนนี้มีคนสอนคนบอกคนเตือนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปพึ่งร่างกายใจไม่อย่าไปพึ่งร่างกายคำว่าตนก็คือใจเรานี่ยและอยู่ที่ใจเราอย่าไปพึ่งร่างกายเราอย่าไปพึ่งลาบยศสรรเสริญอย่าไปพึ่งเงินทองอย่าไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พอเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากไปนี่เราเพึ่ง เราจะเดือดร้อนให้พึ่งสติพึ่งพุทโธพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาธํามังสังนังกาฉามิเราต้องพึ่งธรรมะเพื่อที่จะทำให้เราพึ่งตัวเองพอเรามีธรรมะแล้วเราก็จะพึ่งตัวเราเองได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วทีนี้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งตาลูกเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ต้องพึ่งราบยศสรรเสริญอยู่แบบไม่มีอะไรได้ดูพระพุทธเจ้าท่านมีอะไรบ้างตอนที่ท่านไปบวชนี้ท่านไม่พึ่งอะไรละเมื่อก่อนก็พึ่งปราสาทสามฤ ด, ดูตอนที่เป็นเจ้าชายเสด็จทธธัตทะนี่ต้องมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริสัทธ์บริวารมาคอยอให้ความสุขจัดอาหารจัดเครื่องดื่มให้รับประทาน จัดการบันเทิงต่างๆมีละครให้ดูมีการน้องนำทำเพลงอะไรต่างๆแต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่แน่นอนอเดี๋ยวเกิดวันดีคืนดีเกิดมีการปฏิวัติขึ้นมาเกิดมีสงครข้างขึ้นมาอาจจะไม่สามารถที่จะมีความสุขเหล่านี้ได้ก็ได้นี่คือความสุขทางโลกมันไม่แน่นอนมันพลิกไปพลิกมา ท่านเลยไปหาความสุขแบบที่แน่นอ น, นดีกว่าเห็นนักบวชก็เลยถามเขาเก็บอกกำลังไปหาความสุขแบบที่แน่นอ น, นความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้อุตเจ้าก็เลยไปบวชไปหาความสุขจากสติจากสมาธิจากปัญญาพอได้สติได้สมาธิได้ปัญญาก็ สามารถที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้เวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ตายแล้วก็ไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่อยู่ที่นิพพานอยู่ที่อยู่ที่ความสุขอยู่ที่ใจที่มีแต่ความสุขอยู่ที่ใจที่ไม่ต้องมามีร่างกาย พอพึ่งตัวเองได้แล้วใจพึ่งตัวเองได้แล้วใจไม่ต้องมาพึ่งร่างกายแต่พวกเรานี้ยังพึ่งร่างกายกันอยู่หลังจากร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาพึ่งมาหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่รีบสร้างที่พึ่งใหม่กันไม่ไม่รีบสร้างตนอัตตาหิอัตโนนาโถกันไม่สร้างธรรมังสรารนังกัจฉามิกันเราก็จะต้องมาพึ่ง ราบยศสารเสริญมาเพื่งรูปเสียงกลิ่นรสกันไปเรื่อยๆและเวลาที่เราต้องพัดภาคจากราบยศสารเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกเนื้อง่ายเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือเวลาที่ไม่มีอะไรจะมีคุณค่ามากเท่ากับเวลาของภพนี้ชาตินี้เพราะเราสามารถใช้เวลานี้มาสร้างอัตติอัตโนนาโถได้ สร้างธรรมังสวนังกระฉามิได้ถ้าเรามีธรรมังสารังกระฉามิเราก็จะมีอัตตาหิอัตโนนาโถเราก็จะไม่ต้องพึ่งอะไรต่อไปพึ่งความสงบที่เราสร้างขึ้นมาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะเวลามันจะขมดไปนะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปด้วยการเอาไปเสพรูปเสียงกลิ่นล่น เหมือนกับการไปเสพยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอตายไปก็ต้องกลับมาเสพใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ฉนั้นขอให้เรามองเห็นคุณค่าของเวลาของพพนี้ชาตินี้เพราะว่านานๆานจะได้มีโอกาสได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักครั้ง นานๆจะมีคนมาสอนมาบอกให้เรารู้จักว่าเราไม่ได้เป็นคนพิการเราเป็นคนที่แข็งแรงสมบูรณ์เราไม่ต้องพึ่งอะไรเราพึ่งตัวเราเองได้เราต้องหัดพึ่งตัวเราเองด้วยการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาพอเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดนะใจของพุทธเจ้าใจของพระอรลันต์ตัสาวกนี้ท่านไม่ต้องพึ่งอะไรแนละ้ท่านไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราถ้าเราไม่รีบทำตัวเราให้เป็นที่พึ่งเดี๋ยวตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เราก็อาจจะลืมคำสอนก็ได้นอกจากว่าถ้าเราไปถึงขั้นที่ไม่ลืมเราก็โชคดีไป ถ้าได้ไปถึงขั้นแรกของของของการขึ้นตัวเองได้ก็คือขั้นโสดาบันได้เราก็จะไม่ลืมนะถึงแม้จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเจชาติเราก็จะสามารถสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิให้มีขึ้นมาจนสมบูรณ์จนที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถึงแม้จะกลับมาไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาละ พอรู้จักวิธีสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญางั้นอย่างน้อยก็รีบทำให้มันถึงขั้นแรกขั้นเรือขั้นแรกนี้เขาเรียกว่าขั้นที่เข้าสู่กระแสโสโสดาบานนี้มาจากคำว่าโสตะโสตตแปลว่ากระแสกระแสที่จะกระแสกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานถ้าเป็นทางด่วนก็ พอขึ้นทางด่วนนะมันก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกรุงเทพพอขึ้นทางด่วนมันขับไปเดี๋ยวทางด่วนมันก็พาเราไปถึงกรุงเทพไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ต้องกลับรถไม่ต้องอะไรพยายามเข้าทางด่วนให้ได้เข้ากระแสให้ได้โดยพยายามหาเวลามาเจริญสติหาเวลามาทำนั่งสมาธิหาเวลามาเจริญปัญญากัน อย่าไปทำบาปกันทำบุญกันอย่าทำบาปอย่าไปเที่ยวเพราะการไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวเดี๋ยวจะทำให้เราต้องไปทำบาปพอเงินหมดเงินไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปขโมยไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินของคนอื่นยืมแล้วก็ไม่ใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เงินไม่เป็นใช้เงิน เป็นนี้ใช้เงินด้วยการทาบุญทาบุญแล้วใจใจอิ่มจะไม่หิวใช้เงินตามความอยากเราจะหิวใจใจอยากอยู่เรื่อยๆซื้ออะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่พออยากจะซื้อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเงินไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาวิธีที่ไม่ถูกต้องไปทำบาปแล้วตายไปก็ต้องไปรับผลบาปอย่าไปทำเอาเงินบุ แล้วก็เอาเวลามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วต่อไปเราจะได้มีความสุขในตัวเราเราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปมีเงินทองไม่ต้องมีครอบครัวเราสามารถมีความสุขในตัวของเราเองได้ถ้าเรารีบใช้เวลาที่เรามีอยู่ในภพนิชานี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ให้ฝึกสติทั้งวันให้นั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาอย่าไปทำอย่างอื่นให้เสียเวลาอย่างอื่นทำไปแล้วผลมันก็แค่แค่ตายเท่านั้นเองพอตายก็จบหาอะไรมาได้มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวตายไปก็จบแต่ถ้าหาสติหาสมาธิหาปัญญาได้แล้วนี้จะได้ความสุขไปแบบถาวรแบบไม่มีวันจบ นางกายตายไปแล้วแต่ความสุขที่ได้อยู่ในใจยังมีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็ขอให้เราเห็นคุณค่าของเวลาแล้วรีบเอาเวลานี้มาสร้างบุญสร้างกุศลมาละการ ก, กระทาบาปมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญากันเพื่อความสุขที่แท้จริง ที่จะตามมาต่อไปและการสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยาทาวารรวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกปปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควิณัสตุ มาเตผวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทานสีิตสะนิจังวุธาปจายินุจตารูธรมมวะทานติอายุวันุสุขังภาลังมันนทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่ อืสี่เจ็ดเจ็ดล้วงขึ้นสูงนะอันนะยูทู u แปดสี่ค่ะอัสี่แชร์กันมากขึ้น้งคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเดี๋ยวพรุงนี้ก็ตกพรุ่งนี้สาวอาทศคนก็ไม่ว่างคนไปทำอย่างอื <l> ่นตอนนี้อยู่บ้านทำงานกันมีเวลาอยู่กับที่เวลาฟังสาธุ ทำบุญแล้วไปสวรรค์นา้าทำบาปแล้วไปอาบัยมิชายะกลับเลยอ้าวขอให้สุขภาพแข็งแรงนะไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอโรคยาปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นราบมันประเสริฐดียนี้ดีนี้เด่างนี้เดินได้ดีขึ้น อยู่ไปเป็นเพื่อนกันน ะ, ะอยู่ไปเป็นเพื่อนกัน<ะ>อย่าเพิ่งไปะไปพร้พอมๆกันกดีอาจารย์ผมจะไปก่อนไปกันเดินกันไวไง<ะ> <c oughs> คอยเดินกันไวเพิ่งเอ <c oughs> เราก็เป็นเหมือนฝาแฝดรู้จักกันมาต้องปีใช่ไหมสองสามลงปู่ฟันเสียปีนั้นนะ ที่หลวงปู่ฟันเสียคุณชายก็ไปเข้าวัดป่าบ้านตาครับปู่ฟันให้ผมไปอยู่บุหลวงตาครับหรือุญหลวงตาก็อยู่เรื่อยก็ไปเจอท่านอาจารย์นั่นแหละนละไปเจอครับสมัยก่อนเนี้ยมีพระอยู่มัณฑาตสิบแปดองค์ครับ เราก็ตามกันนัเราไปไหนคุณชายก็ตามไปเดี๋ววัดโบวานก็ตามไปเลยครับแต่ก่อนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวอย่างนี้มาเรียบร้อยออก็ไม่มีคู่บังคับไงไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่ไม่ได้ไม่เลือกก็เป็นตามใัแจ้งไม่ได้มันก็เป็นไปตามตามเวลาของมันนะนะทาบุญไปเรื่อยๆนะคุณชายอไหวพระสวดมนต์ภาวนา ใจจะได้สงบใจจะได้มีความสุขทําวัดเช้าทาวัดเย็นทุกวันดีพระอุณพระฟังเทศหลวงตาฟังเทศไปด้วยไปเยังไปที่สวนอยู่เปล่าสวนแสงทองดูแลอยู่ครับดูแลอยู่ทุกข้อมีพ่อป่าทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนโอเคครต้องไปดูแลอยู่ ช่วยจา์เจริญจาเทริญก็โดนหนีไปตั้งก่อนให้เล <c oughs> okay. ็กมาด้วยกันให้เล็กตาแทนไปไหนต้องมีแต่นี่ต้องมีผู้คุมนี่หละสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนก็แข็งแรงขับรถกรุงเทพอุดรนี่อย่างว่าเล่นไปทุกอาทิตย์เลย อนนี้พอร่างกายอย่างนี้ก็ต้องหมดสภาพไปร่างกายของเราทุกคนก็เหมือนกันอย่งนี้อย่าประมาทท่านสอนให้เราเ ล, ลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อ ย, เ, อยเพื่อเราจะได้ไม่นอนใจไม่เกียดข้างให้เรารีบมาสร้างที่พึ่งททนใจกันพอต่อไปถ้าเราพึ่งร่างกายไม่ได้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราพึ่ง ถ้าเราเพึ่งใจได้ใจพึ่งตัวเองได้ใจไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้าเราไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆมันจะลืมแล้วก็จะไปทำเรื่องไร้สาระอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นทำแล้วมันไม่ได้เป็นที่พึ่งมันไม่ได้สร้างที่พึ่งให้กับเราสร้างแล้วกลับทำให้เราต้องเป็นเป็นคนพิการไปแทนที่จะเป็นคน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกับต้องทำตัวให้เป็นคนพิการไปโดยใช่เหตุเพอมัวแต่ไปพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้ไม่มาพึ่งตัวเองกันต้องมาพึ่งสติต้องมาพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเนี่เป็นของของเราเรามีสติสมาธิมีปัญญาแล้วมันจะไม่จากเราไปมันจะเป็นของเราไปตลอดพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้เดี๋ยวเขาต้องจากเราไปดฉะนั้นเราก็ต้องจากเขาไป ก็ขอให้เรารีบกันนะเวลาไม่คอยท้าน้ำขึ้นให้รีบตักนะเดี๋ยวน้ำลงก็คือตายเวลาน้ำลงก็เหมือนเวลาตายไม่มีเวลาที่จะมาตักน้ำได้ไม่มีน้ำจะให้เราตักไม่มีพระพุทธศาสนาจะให้เราเมื่อเรากลับมาเกิดพบหน้าชาติหน้าจะไม่มีใครมาสองมาสอนเราลยมีใครอยากจะถามคำถามไหม ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามเข้ามาคําถามจากผู้ฝากถามเมื่อออกสมาธิแล้วมาเจอเหตุการณ์ต่างๆทําให้เกิดความโกรธเรื่องงานที่จ้างขอทําผลออกมาไม่ดีควรจะทําอย่างไรดีครับเนื่องจากต้องทํางานหาเลี้ยงชีพก็ต้องใช้ปัญญาไงว่าความโกรธของเรานี่มันเกิดจากความอยากอยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเหตุการ์มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากเราก็โกรธเนี่ยเราต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดก็ยอมรับมันอย่าไปไม่พอใจเขาจะตัดเงินเดือนก็ให้เขาตัดเงินเดือนไปเขาจะโยกย้ายเราไปทำที่นั่นที่นี่ก็ปล่อยเขาโยกย้ายไปยอมรับสภาพตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่โกรธ แต่ถ้าเรายึดเราติดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้เพราะเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้อย่างที่เราคิดเราก็จะโกรธดงั้นต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัส ร, รับรบู้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีขึ้นมีลงมันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้อง รับมันเหมือนกับเรารับฝนฟ้าอากาศทุกอย่างให้มองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งมันไม่ได้ฝนมันจะตกหรือมันจะหยุดนี่เราไปสั่งมันไม่ได้คนจะเป็นคนจะตายคนจะดีคนจะร้ายนี่เราไปสั่งเขาไม่ได้ปล่อยเข้าไปแล้ว เ, เฉยๆอย่างเดียวแล้วเราจะไม่เดือดร้อนหลังแค่ hmm. เรามีความสุขจากทางสมาธิแล้วเราก็ไม่ไม่แคร์ ใครจะให้เงินเราก็ได้ไม่ให้กันเราก็ได้ใครจะชมเราก็ได้ไม่ชมเราก็ได้ไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากสมาธิถ้าได้ความสุขจากสมาธิแล้วจะไม่แคร์อะไรในโลกนี้ครับำ ถ, ถามจากพระอนุตตรธรรมสัมมาสมาธิกับฌานมีความแตกต่างกันหรือไม่ครับคำว่าสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่ ที่เอืออเอ้อต่อมรรคผลนิพพานสมาธิที่เอื้อต่อมรรคผลนิพพานก็คืออัปปนาสมาธิลือชานสี่ลูกประชานสี่นี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ถ้าเป็นอุปจารสมาธินี้มันจะเป็นสมาธิที่ออกไปรู้เหตุการ์ต่างๆไปท่องเที่ยวในโลกทริ์นี้ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิไปติดต่อกับเทวดาไปนรกไปสวรรค์ น, นี เรื่องอุปจาระสมาธิหรือไปมีตาที่ผูทิพย์เนี่ย<ม>ไปมีฤทธ์อะไรต่างๆนี้เป็นอุปจาระอุปจาระสมาธิอุปจาระนี้เกิดจากหลังจากที่ได้อัปปนาแล้วไม่อยู่เฉยๆออกไปเที่ยวเล่นถ้าไม่อยากให้มันออกไปเที่ยวเล่นพอจิตรวมลงแล้วต้องดึงมันไว้ถ้ามันจะไปเที่ยวเล่นถ้ามันจะไปเห็นนูน่นเห็นนี่จะไป รู้นั่นรู้นี่ก็ดึงมันกลับมาให้มันอยู่อยู่กับศักด์แต่ว่ารู้อย่างเดียวจิตบางคนมันมีนิสัยชอบเที่ยวชอบเล่นพอมันรวมเป็นอัปปนาแล้วมันไม่อยู่มันจะถอนออกมาแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่เรื่องราวต่างๆที่ไปรับรู้อิทธิฤทธิ์ต่างๆที่มีไม่เอื้อต่อการจริญมรรคผลนิพพานเพราะมันไม่สามารถฆ่ากิเลสได้มันไม่มีกาลัง ไม่เหมือนกับอปนาสมาธิจะมีอุเบกขาจะมีความนิ่งเฉยจะไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอออกจากสมาธิมาพอปัญญาบอกให้ไม่ลักก็จะไม่รักได้ไม่ชังก็จะไม่ชังได้แต่ถ้ามีอุปจถ้าไปทางอุปจารสมาธิมันจะไม่มีไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอออกมาเจออะไรลักก็ลักเลยเจออะไรชังก็ชังเลย แต่ถ้าอัปปนาสมาธินี่พอออกมาแล้วพอปัญญาบอกว่าอย่าไปรักก็ยังไม่รักอย่าไปโกรธก็ไม่โกรธอย่าไปกลัวก็ไม่กลัวอันนี้เป็นสมาธิที่สนับสนุนปัญญาปัญญาจะเป็นคนบอกให้เราละความโลภความโกรธต่างๆถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิจะไม่มีกำลังละความโลภโกรธหลงได้ถ้าไปออกไปเล่นปาฏิหารต่างๆ พออามาออกจากสมาธิมานี่เหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิใจก็ยังวอกแวกเป็นเหมือนเป็นลิงเหมือนเดิ ม, มพอเห็นอะไรก็โลภเห็นอะไรก็โกรธขึ้นมาทันทีคบถามจากพระครูสุนทรกิติสารเวลาทำภาวนาทำไม่พอทำไปสักเวลาความคิดเก่าๆในสมัยคารวาชชอบผล ม, มาในสมาธิ เมื่อหยุดบริกรรมก็หายพอบริกรรมสักระยะก็คิดอีกจะแก้อย่างไรครับก็ต้องอย่าหยุดทาบริกรรมนะทำบริกนะรรมนี้จะทําให้ความคิดต่างๆหยุดได้ถ้าเราหยุดบริกรรมก็เหมือนรถที่เราหยุดเหยียบเบรกพอหยุดเหยียบเบรกรถมันก็จะไหลถ้ามันอยู่บนเขาวิ่งลงเขานี่ถ้าไม่คอยเหยียบเบรกมันก็จะวิ่งถ้าเหยียบเบรกมันก็จะหยุดใจเราตอนนี้มันเหมือนรถวิ่งลงเขามันจะคิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราต้องการให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรคเบรกของเราก็คือคำบริกรรมพยายามบริกรรมหรือสวดมนต์ไปก็ได้หรือเพ่งดูอะไรสักอย่างก็ได้เพ่งดูลมก็ได้เพ่งดูโครงกระดูกก็ได้ขอให้มีอะไรเหยียบเบรกใจไว้คุณเชลารีプライมาว่ามีอาร์ไฟอาจารย์ค่ะโอเค คำถามจากคุณต้นทุนค่ะตอนที่พระอาจารย์เป็นค า, ารวะพระอาจารย์ได้ถือศีลห้าหรือสี่สี่แปดก่อนตัดสินใจออกบวชครับถามเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจแก่ตนเองเพื่อจะเดินเดินตามรอยพระอาจารย์ครับอตอนต้นก็ถือสี่ห้าไปก่อนแต่ไม่ได้เป็นสมาทานมันเป็นนิ ส, สัยนิ ส, สัยอยู่ในตัวมันไม่ชอบทำบาปเวลาทำบาปแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายใจเวลา ขโมยของเขาเลยเวลาโกหกใครนี่มันจะรู้สึกไม่สบายใจมันก็เลยพยายามไม่ทํามันก็เป็นโดยที่เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปขอศีลจากพระจากใครมันเป็นนิสัยเหงาแล้วพอมาศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมว่าต้องมีศีลแปดก็เลยรักษาศีลแปดไปก็ไม่ได้ไปขอจากใครก็รู้ว่าศีลแปดมีอะไรก็รักษาไป คำ ถ, ถามจากคุณลาวันค่ะจิตที่ไม่หวั่นไหวคือผู้ที่มีความสงบเกินร้อยเปรียบเหมือนเดินทางสายกลางใช่ไหมคะและจะกลับมาเกิดอีกไหมคะคือความสงบนี่ถ้าระดับสมาธิมันยังกลับมาเกิดได้เพราะเวลาออกจากสมาธิถ้าไม่มีปัญญา ม, มันก็จะถูกความอยากดึงไปได้แต่ถ้าออกมาจากสมาธิแล้วถ้ามีปัญญาคอยสอนให้ต้านความอยาก ควาาามมมอยกกกันก็จะดดดึงเเรไไไปไไิ่้คําถามจากผู้ม่ตระส่งออกนามหนูมักจะโดนเพื่อนๆญาติๆว่าหนูเค่งกับการรักษาศีลการภาวนามากเกินไปเขามักจะใช้คําว่าไม่เดินทางสายกลางเรไม่ใช่พระไม่ต้องเคร่งมากหรอกหนูควรจะตอบเขาอย่างไรดีคะเขาใช้คําว่าเดินทางสายกลางไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอ๋ออย่าไปฟังก็เลยเขาไม่รู้เรื่องหรอก ลรวรู้เรื่องของเราเราทำของเราไปเราทำแล้วมันดีนั่นแหละเขาเรียกว่าถ้าทำแล้วได้ผลนั้นแหละเป็นทางสายกลางของเราสายกลางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแต่กิเลสของแต่ละคนมากหรือน้อยโดยความสามารถของแต่ละคนจะสามารถรักษามากหรือน้อยโยมบางคนที่สายกลางมากกว่าพระก็มีมันอยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่ ศรัทธาของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันโยนมบางคนมีศรัทธามีสติปัญญามากกว่าพระก็มีก็เค่งกว่าพระก็มีแต่แต่ว่าเราเค่งแล้วเราอย่าไปอวดใครก็แล้วกันเราก็รักษาของเราไปคนที่ก็ไม่เค่งก็เรื่องของเขา พวกที่เขามาว่าเราเข่งกันไปเพราะเขาไม่ไม่เข่งเหมือนเราเขากลัวเราจะน้ำหน้าเขาเขาก็เลยพยายามดึงเราไว้เข้าใจไหมไม่อยากให้เราแซงเขาเขาก็เลยแกล้งมาหลอกเราว่าเราเค่งเกินไปเขาถูกเขาถือสายกลางแต่เรามันไม่สายกลางเนี่ยเราไปฟังคนอื่นฟังใจเราดูใจเราหรือว่าถ้าเราทำแล้วจิตใจเราสงบจิตใจเราสบายอันนั้นหละสายกลางของเรานะ ถามว่าคุณบนมีอยู่กับพุทโธได้ความสงบอยู่ครับแต่ยังผ่านเวทนายังไม่ได้มากพอเข้าชั่วโมงที่2เวทนามาทนได้สักพักต้องออกไปทํางานถ้าเจ็บป่วยมากๆจะมีวิธีใดที่ข้ามพ้นไปได้ครับก็นั่งฝึกทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไปเองฝึกสติฝึกคำบาลีกรรมไปมากๆ แ้วเดี๋ยวถึงเวลามันเจ็บ น, นี่เราบริกรรมอย่างเดียวให้มันขาดใจตายไปกับคําบริกรรมเลยแล้วใจมันจะปล่อยความเจ็บแล้วจิตมันจะสงบแล้วมันก็หยุดบริกรรมได้แล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจบางทีความเจ็บก็หายไปบางทีก็ไม่หายแต่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาแต่ใจสงบแล้วมันจะอยู่กับความเจ็บได้ขอให้เรามีคําบริกรรมไปยอมขาดใจตายไปกับคําบริกรรมรับรองได้ว่าเดี๋ยวมันจะได้ผล คำถามจากคุณชนะตนค่ะยมเข้าใจว่าจิตดวงสุดท้ายของพระอาหารหันต์ก็คือจิตดวงเดียวกับวันที่ท่านบารรลุธรรมคือเสถียรแล้วแต่จิตปุถุชนยังมีดีร้ายสลับกันเวลาจะตายจิตจะอ่อนบุญบาปที่ทำจะมาแย่งกันตามหลักคุรุกรรมอาจินกรรมที่คนสมัยก่อนว่าไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมคะจิตพระอรหันต์นี่ท่านเสถียรตั้งแต่วันที่ท่านบารรลุเป็นพระอรหรนันต์ บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสที่จะมาทําให้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่จิตของเรานี่ยังมีกิเลสอยู่ะวันดีวัน น, น, น, น, นี้วันนี้ทําบุญเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทําบาปแล้วแต่ใครมาชวนเดี๋ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวบ่อนก็ไปกันเดี๋ยวชวนพาชวนไปเที่ยวสถานบันเทิงก็ไปกันแล้วแต่จิตใจเรายังอ่อนไหวยังไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ะ แล้วแต่ใครจะมาชวนแต่จิตของพระนายนี่ไม่มีใครชวนไปทํำบาปได้ไม่มีใครชวนไปทำครับโลกโกดหลงได้นจิตของท่านไม่มีความต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นคําถามจากคุณพัทธาราวดีโยมนั่งสมาธิแล้วลมหายใจละเอียดต้องภาวนาว่าอะไรต่อเจ้าคะถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆจนกว่าลมมันจะหายหรือจนกว่า จิตจะรวมลงเข้าสู่ความสงบถ้าลมหายก็ดูความว่างไปแทนดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองคำ ถ, ถามจากคุณจกักถ้าหากส่วนใหญ่เราบำรุงดูแลบิดามันดาบุพการีอย่างดีแต่ไม่ค่อยทำกุศลทานอื่นๆกับวัดหรือพิสุทสงฆ์ได้บ่อยๆแล้วพยายามรักษาศีลเป็นปกติ เช่นนี้เรียกว่าขาดทานหรือบกพร่องในเรื่องทานหรือไม่เหตุเพราะในพระใจปิฎกมีการเปรียบผลของทานกับหมู่สงฆ์มากกว่าบิดามารดาก็ไม่เป็นปัญ ห, หาหรอกทำทานกับบิดามารดาก็ถือว่าได้ทําทานกับพระอรหันต์ของเราอยู่แล้วะงั้นก็สิ่งที่จะขาดก็คือขาดปัญญาเท่านั้นเองเพราะว่าบิดามารดาที่จะไม่ได้สอนเราให้รู้ปัญญา แต่ถ้าเราไปทําบุญกับสงฆ์นี่ไปทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ปัญญาคำถามจากคุณฮาเหน่งจิตที่ใกล้จะตายถือว่าเป็นนาทีทองถ้าใครสามารถกําหนดจิต mm hmm. เห็นเวทนาอนิจจ์ทุกขังได้อาจจะสําเร็จมรรคผลได้พระอาจารย์ช่วยอธิบายการดูเวทนาว่าพิจนารณายอย่างไรหรือปล่อยวางอย่างไรให้พอเข้าใจครับ ก็ให้ดูมันเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเวลาเราได้ยินเสียงนี่ใจเราเป็นยังไงถ้าเสียงที่เราชอบเราก็สุขพอเสียงที่ไม่ชอบเราก็ทุกข์แล้วตัวเสียงมันเองมันมันมันทำอะไรกับร่างกายที่ฟังเสียงนั่นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ร่างกายเป็นอะไรใช่ไหมเสียงที่เข้าหูมันก็เป็นเสียงเหมือนกันเสียงที่เราชอบกับเสียงที่เราไม่ชอบ แต่มันไปทำให้ใจเราหวั่นไหวขึ้นมาเพราะใจเราไปยึดไปติดกับเสียงไปดีใจกับไปเสียใจกับเสียงเราก็ต้องมาสอนใจว่าเราต้องลิ่งเฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายกับเสียงเวทนาก็เหมือนกับความรู้สึกที่มันมาทางร่างกายเวลาร่างกายน้หแบบท่าสบายมันก็เป็นสุขเวทนาเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยมันก็ทุกขเวทนา มันก็เป็นความรู้สึกของทางร่างกายที่เรารับรู้เฉยๆก็ดูมันว่าเหมือนกับเสียงไ ป, ไปชังมั น, มนไม่มีปัญหาเลยปัญหาคอาไปเือที่รักมกากทีชังจะเอาแต่สุขเวทนาพอเจบทุกขเวทนาก็ถอยเม่อยากจะให้มันหายตัวที่ทำให้เราทรมานใจก็คือความอยาก แต่เราก็ห้ามันไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็ต้องอยู่หรือถ้ามันดับมันก็ต้องดับไปตามเรื่องของมันเราจะไปกำจัดมันเองไม่ได้แต่เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วก็ยอมรับว่ามันก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนกับเสียงเหมือนเสียงคนด่าเราถ้าเสียงคนด่าเราไม่ชอบแต่เราทำใจเฉยๆมันก็ปล่อยก็ด่าไปใช่ไหมเราก็พุทโธพุทโธไปก็ได้ ถ้าเราเจ็บนำรู้จะทำอะไแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปให้ใจขาดไปกับพุโทโธแล้วความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจแล้วเราจะอยู่ความเจ็บได้คำถามจากคุณนันทนาการให้เรารับรู้กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้มากๆจะทำให้เราเบื่อหน่ายระหว่าง หาทำมาทางพ้นทุกข์กับการไปปิดวิเวกไม่ให้สัมผัสกับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสวิธีไหนจะทําให้เราละทิเลตได้มากกว่ากันเจ้าคะอ๋อไม่มีทางหรอกถ้าเราไปยุ่งกับรูปรถกิ่นรูปเสียงกลิ่นรถมันก็จะติดกันนั่นแหละมันต้องตัดมันต้องไม่ไปยุ่งถ้าไปดูให้มันเบื่อไม่มีวันเบื่อหรอกดูมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มันเบื่อให้ไหนใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรถมันเบื่อไหมมัน มันเป็นยาเสพติดมันม่มีวันเบื่อตอน่มันเสพขนาดไหนมันก็ไม่มีวันเบื่อต่อให้สูบบรีขนาดไหนมันก็ไม่เบื่อดื่มเล่ามากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อมันจะเบื่อก็ต้องอย่าไปสูบมันอย่าไปดื่มมันแค่นั้นพอไม่ได้ดื่มดื่มไปมันก็ดื่มได้ดังนั้นอย่าไปคิดว่ายิ่งไปเสพแล้วมันจะเบื่อไม่มีวันเบื่อเบื่อมันก็เปลี่ยนอย่างอื่นนะมันเบื่ออย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกอย่าง เป็นกินกับข้าวแบบนี้เบื่อมันก็เปลี่ยนกับข้าวอางอย่างมันก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมแหละยังมันไม่มีวันเบือเอ่อหล้วเบื่อไม่จริงเบื่อเบืออ่อยากอยากพ่าใหญ่ไหเบื่อแบบนี้ก็เราไปเปลี่ยนไปเอาแบบนั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องไปยึดไปติดกับมันก็คือเราต้องตัดมันอย่างเดียวเราต้องอย่าไปเสกมันไปเปกไวเวกไปอยู่ในป่าในเขาเลย คนที่ติดบุหรีติดเหล้านี่แค่ไปอยู่ในป่าในเขาไม่มีเหล้าไม่มีบุหรีเดี๋ยวมันก็เลิกได้ถ้ามันไม่ดิ้นกลับมานะถ้ามันทนอยู่ในป่าในเขาได้มันก็จะเลิกได้คำ ถ, ถามจากคุนาดาค่ะผมพิจารณาเวทนาเจ็บปวดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาเจ็บปวดมันชั่วคราวนานเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันเสื่อมเป็นธรรมดา เช่นรูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งต่างๆมีปัจจัยเกิดย่อมมีปัจจัยเสื่อมเป็นธรรมดาย่อมมีปัจจัยดับเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของเราของใครถึงเวลาปล่อยก็ต้องปล่อยเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตที่พระศาสดาเจ้าทรงค้นพบมาแสดงธรรมะสัตว์โลกให้ได้รับและนํานํามาปฏิบัติต้องมีอะไรแก้ไขหรือพิจารณาต่อไหมครับถ้าเราปล่อยวางได้ก็ดี ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราอยู่กับมันได้ไม่ทรมานไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าใช้ได้คำถามจากคุณปลายฟ้าถ้าตอนนั่งสมาธิเราดูลมหายใจแต่นั่งไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกตรงกลางหน้าผากระหว่างคิ้วมันเด่นชัดขึ้นมาจนเด่นกว่าลมหายใจเราย้ายจิตไปเพ่งตรงหน้าผากระหว่างคิ้วได้ไหมคะถ้าทําให้จิตตั้งมั่นเร็วกว่า ไม่ควรนะนะควรจะอยู่กับลมไปอย่างเดียวอย่าไปเปลี่ยนให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเพ่ย อ, อย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่มาปรากฏให้นับรู้คำถามจากคุณก้องที่ครอาจารย์ตอบว่าอตอนเป็นเด็กพระอาจารย์ไม่ทําบาปไม่ผิดศีลเป็นอัตโนมัติ เป็นผลจากการปฏิบัติจากอดีตชาติของพระอาจารย์ใช่ไหมครับก็ไม่รู้หลักมันมาอย่างนี้ยมันเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทําบานสมันก็ยังมีทําอยู่บ้างโดยที่บางทีพังเสือหรืออะไรแต่เวลาทําแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายใจนั่นมันก็จะไม่อยากทํำแต่อย่ายไปยายไปบอกว่าเราไม่ได้ทําบาปไม่ใช่นะเดี๋ยวจะหาว่าเราอุตริอีกแต่ความรู้สึกในใจมันมันบอก เวลาทําบาปเวลาโกหกนี่มันก็ไม่สบายใจเวลาไปเอาของคนอื่นมาอย่างนี้มันไม่สบายใจมันเป็นความรู้สึกนะครับคำถามจากคุณนพชัยหลักใจระหว่างที่จิตใจร้อนจิตใจร้อนลนในการเร่งหาเงินเพื่อใช้หนี้ขอถามหลักใจครับหลักใจหลักใจก็คือความสงบ ถ้าอยากจะมีหลักใจก็ต้องทำใจให้สงบการน้อนโดนนี่เป็นความโลภถึงแม้ว่าจะโลภในทางที่ดีคือไปใช้หนี้สินเขามันก็ทำให้ใจเราร้อนได้งั้นเราควรจะทำแบบไม่โลภคือหาเงินไปตามกำลังของเราได้มากได้น้อยก็เอาไปใช้เขาหรือถ้าเราหาบ่อยๆใช้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเอง เราสามารถหาได้ด้วยใจที่สงบ ก, กับหาได้ด้วยใจที่ร้อนอยู่ที่ถ้าใจสงบ ก, ก็ใช้เหตุผลว่ากก็หาได้เท่านี้แหละก็ใช้มันเท่านี้ไปก่อนแต่ถ้าหาด้วยความโลภโอ้โหต้องรีบอยากจะใชใ้มันเร็วๆจะได้หมดปัญหาเร็วๆมันก็ทําให้ใจร้อนวนไปไม่มีความสุขนั้นขอให้ใช้เหตุผลแล้วใจจะใจจะไม่ร้อนใจจะไม่วุ่นวายใจจะสงบ ทำบุญกับพระปลอมจะได้บุญไหมครัะได้ทํากับม้ายังได้เลยนะท ำ, ทำบุญกับคนเราังไม่ได้ <c oughs> บุญก็คือการให้ทานให้ใครก็ได้ให้สุนัขให้แมวให้คนคนดีคนชั่วเราได้ทั้งนั้นนะอ่ะพราเราได้เราได้เสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่คนอื่นไปเรียกว่าทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมา จะคุณความใหญ่ผมเลิกกับภรรยามาประมาณหาเดือนไม่มีลูกด้วยกันใช้ชีวิตใครชีวิตมันแต่เวลาผมได้รู้ว่าเขาเขามีความสุขผมจะมีความรู้สึกยินดีแต่ถ้าได้ยินว่าเขาลําบากเป็นทุกข์ผมก็เป็นห่วงเขาทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วผมพยายามคิดว่ากรำใครกรมันอยากจะวางอุบเบกขาแต่ใจลึกๆยังห่วงผมควรทําอย่างไรดีครับก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติ ทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาให้ได้แล้วมันก็จะไม่ห่วงหรือใช้ปัญญาแต่ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิมันก็ยังห่วงอยู่อย่างที่เมื่อกี้ก็บอกก็รู้ว่ามันเป็นกรรมของเขาแต่มันก็ยังอดห่วงเขาไม่ได้แสดงว่าจิตไม่มีอุเบกขาพอคำถามจากคุณต้องค่ะโยมฟังธรรมะจากพระอาจารย์เกือบทุกวันโยมฟังจบโยมใช้ความคิดซึ่งโยมคิดว่า ปัญญาตอนนี้โยมเริ่มกลัวจิตตัวเองโยมรู้สึกว่าตัวและความคิดโยมน่ากลัวกว่าสิ่งใดในโลกทํายังไงถึงจะลบความรู้สึกนี้คะอ๋อมันก็ใช้สติระงับความคิดต่างๆคิดให้น้อยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงไม่มีอะไรร้ายกาจเท่ากับความคิดของเราคนใืญ่เขาจะร้ายกาจขนาดไหนเขาก็ไม่ได้มาทําร้ายเรา แต่ความคิดของเราเนี่ยมันทำร้ายเราทําให้จิตใจเราทุกข์ทำให้เราฆ่าตัวตายได้ก็คือความคิดของเราเองเนี่ยเราต้องหัดควบคุมความคิดของเราให้ได้ด้วยการหมัน่นเจริญสติบ่อยๆพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วต่อไปเราจะคุมมันได้แล้วมันจะไม่สามารถมาทําร้ายทําลายเราได้แล้วมันจะกลับมารับใช้เราเพราะเราจะสอนให้มันคิดไปในทางที่ดีที่ถูก คิดปล่อยวางคิดละความโลภโกรธหลงคิดละความอยากต่างๆแล้วมันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราต่อไป้องถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาที่หนูมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหนูจะบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์เหมือนเวลาปวดขาตอนนั่งสมาธิได้ใช่ไหมคะแล้วจะหายถึงตอนปวดขาไหมคะก็ลองทําูดิไหนน้องแม่ถามนราไหม เราไม่ได้เป็นคนเป็นเราจะไปรู้ได้เลยมันน่าก็จะใช้ได้หรอกเนะี่ยถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นอาการที่เกิดจากจิตที่ไม่สงบคำ ถ, ถามจากคุณบางออนการที่โยมไม่ค่อยมีเวลาไปวัดแต่โยมพยายามสวดมนต์ที่บ้านจะได้บุญเหมือนกันหรือเปล่าเจ้าคะได้ที่ไหนก็ได้การปฏิบัตินี้ ปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนเพียงแต่ว่าจะได้มากได้น้อยต่างกันเท่านั้นเองถ้าที่สงบมันก็จะได้มากกว่ามันง่ายกว่าถ้าที่ไม่สงบวุ่นวายมันก็ยากกว่าได้ได้น้อยกว่าคำถามจากคุณปาคาว่าอุปทานดับคืออะไรครับเคยได้ยินแต่สังขารดับอวิชชาดับอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นไงความยึดติดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา พอเราละมันก็เรียกว่ามันดับดับอุปทานละอุปทานไม่ยึดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราลนะมองว่าร่างกายเป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันใมการละอุปทานคําถามจากคุณนันทนาค่ะเมื่อร่างกายตายแต่จิตใจไม่ได้ดับไปด้วยตายแล้วเกิดทันทีทำไมจิตใจของเราถึงจําสัญญาเดิมไม่ได้คะ มันไม่ได้เกิดทันทีหรอกกายกรรมมันเกิดเป็นมนุษย์นี้มันต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนไปฝันร้ายฝันดีก่อนเป็นปีๆแล้วแต่ละคนว่าบาปมากบาปมากบุญมากหรือบาปน้อยบุญน้อยมันก็มันก็จะไปมันก็จะฝันยาวเหมือนนอนหลับฝันไปจนกว่าบุญกําลังของบุญหรือบุญกําลังของบาปมันหมดมันถึงจะได้มามีร่างกายของมนุษย์ใหม่ อาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็ได้าบางคนกอาจจะแค่ไม่กี่ปีก็ได้แล้วแต่พถึงมีเรื่องเด็กที่บางคนเกิดมาแล้วจำอะไรได้แสดงว่าเขาตายไปไม่นานเขากลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดแล้วมาที่ที่อยู่ใกล้ๆที่เดิมมันก็เลยยังจำได้เพราะมันที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงมากถ้าเป็นร้อยปีย่างถ้าเราเป็นคนยุคสมัยกรุงศรีกลับมาเกิดวันนี้ไปดูกรุงศรีก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแนละ้ว มันแล้วแต่เวลาที่เราต้องไปใช้บุญใช้บาปว่ามันมากมนานหรือน้อยนานไม่ไม่นานคาถามจากคุณชินโยมนั่งดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกโยมรู้สึกว่าลมเข้าแพทยที่ปลายจมูกแล้วก็ออกไม่ก่อไปถึงกายโยมนั่งดูลมแบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี้โยมนั่งถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะถูกก็ละล่ะให้รู้เฉยๆไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รูต้ตรงที่มันสัมผัส แถวปลายจมูกนั่นแหละให้รู้ว่ามันเข้าหรือว่ามันออกหรือว่ามันสั้นหรือยาวหรือว่ามันหยาบเรื่องละเอียดเท่านั้นเองเอาอีกสามคำถามนีงหมดแล้วเอาสามคำถามสุดท้ายคำถามจากคุณตุ้มตุ้ยคะ่ะถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่ได้โสดาผลชาตินี้ถือว่าเสียชาติเกิดไหมคะเพราะเกิดมาของเราเสริที่สุดแล้วไม่ใช่ของง่ายที่จะเจอคะอ่ะอ๋อถ้าไม่ได้โสดามันก็เหมือนกันไม่ได้แผนที่เท่านั้นเอง พอตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปหาแผนที่ใหม่แต่ถ้าได้เป็นโสดาก็ได้แผนที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาก็ได้สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองคำ ถ, ถามจากคุณเจเวลานั่งสมาธิจิตสงบนิ่งแล้วมีคนบอกให้พิจรารณากายเวทนาจิตธรรม หรือควรจะนั่งให้จิตนิ่งต่อไปเรื่อยๆเจ้าคะให้มันนิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายนิ่งจนกว่ามันจะออกจากสมาธิมาจนกว่าเราไม่สามารถนั่งต่อไปได้ถ้ายังนั่งต่อไปได้ถ้ามันไม่นิ่งเราก็พุโทโธต่อไปก็ได้ตอนต้นนี้พยายามให้จิตมันนิ่งมากๆนิ่ ง, งานานๆเพราะมีจะมีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาแล้วพอเราออกจากสมาธิมาแล้วเราค่อยมาสอนใจว่าอยากทาตามกิเลสตัณหา เพราะการไปทําตามสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าของทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นทุกข์เราก็จะได้ฝืนความอยากได้ mm hmm. อีกเหลือกี่ข้อข้อเดียวไหมข้อเหลือซงเลยค่ะไม่ที่ให้ถามเมื่อกี้อ่าก็อก็อสุดท้ายคำถามจากคุณโดรา จะอธิบายกับผู้ที่คิดว่าตายแล้วจะจบอย่างไรดีคะจะอธิบายเขายังไงอธิบายกับผู้ที่คิดว่าตายแล้วก็จบอ๋ อ, าา อ, าอาาตายแล้วาาลสูญเหรอก็บอกเขาว่ า, าใจกับร่างกายเป็นคนรอดส่วนกันร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ใจเป็นเหมือนคนขับรถยนต์เวลารถยนต์พังไปคนขับไม่ได้พังไปกับร่างรถยนต์คนขับก็ไปซื้อรถใหม่ไปเปลี่ยนรถใหม่ เวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยก็ไปหารถหาร่างกายอันใหม่ไปซื้อร่างกายอันใหม่หวดแล้วนะวันนี้เหนื่อยนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพณิพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ